บทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงตราชูซึ่งจะชั่งการงานของมนุษย์มนุษย์จะแบ่งออกเป็น ah, 2 จําพวกคือบรรดาผู้มีความสุขและบรรดาผู้มีความทุกข์ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความหนักและความเบาของตราชูบทถูกขนานนามว่าอัลกอรีอะห์เพราะมันจะข้อจิตใจและการฟังให้ตระหนักถึงความหายนะที่จะเกิดขึ้นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลกอริอะตุมัลกอริอะฮ์อัลกอริอะห์นั้นคืออะไรวะมาอดรกะมัลกอริอะฮ์อะไรเล่าที่ทําให้เจ้ารู้ว่าอัลกอริอะห์นั้นคืออะไรเยาวมะยะกูนุอันนาซุกัลฟะราชิลมับซูทวันที่มนุษย์จะเป็นเช่นแมลงแม้วที่กระจายว่อน وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ لَبَنْدَا ภูเขาจะเป็นเช่นขนสัตว์ที่ปลิวว่อน وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ส่วนผู้ที่ตราชูของเขาหนักเขาก็จะมีชีวิต ส่วนผู้ที่ตราฉู่ของเขาเบาที่พํานักของเขาก็คือเหวลึกลาอะไรเล่าที่จะทําให้เจ้ารู้ได้ว่าหะวิยะคืออะไรคือไฟอันร้อนแรง